ที่ธรรมศาสตร์เป็นการแสดงธรรมของพระชาวเกาหลีรูปหนึ่งนะซึ่งมีชื่อเสียงมากในประเทศเกาหลีแล้วก็เรียก ว, ว่าในหมู่ชุมชนเกาหลีทั่วโลกก็ได้ท่านชื่อพระอาจารย์พอมยุนสุดนิมพนะพระเกาหลีนี่ก็ต้องลงท้ายด้วยสุดนิมกันทุกลูกนะท่านเป็นพระเซนนะ ซึ่งก็เป็นนิกายใหญ่ น, นิกายหนึ่งในประเทศเกาหลีอายุก็สักหกสิบกว่าหกสิบ น, นิดหน่อยใกล้ๆตามมาตามมาก็รู้จักท่านมาสิกาปีละนะเพราะประชุมร่วมกันอยู่บ่อยๆในเมืองไทยแต่ก็ยังไม่เคยได้ฟังธรรมของท่านในบรรดาพระเกาหลีนะท่านพอมยุนนี่เรียกว่า เป็นที่รู้จักดีที่สุดนะในหมู่คนรุ่นใหม่คำบรรยายหรือว่าธรรมะของท่านเนี่ยเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางคิดว่าคงมากกว่าบรรดาพระเกาหลีรูปอันอื่นนะเดยวพะในหมู่คนรุ่นใหม่นี่เดีย ว, ว่าชนคนหนุ่มสาวหรือคนที่ยังอยู่ในวัยชกกันเนี่ยไม่ว่าหญิงและชา ย, ยก็ รู้จักท่านหรือว่าได้สนใจติดตามคําบรรยายของท่านที่จริงจะเรียกว่าเป็นคำบรรยายก็ไม่ถูกนะเพราะว่าท่านถนัดนให้คนถามและท่านตอบเมื่อวานนี้ก็บรรยายในลักษณะ น, นี้นะก็คือมีคนถามแล้วก็ท่านก็ตอบเวลาท่านไปบรรยายที่ไหนเนี่ยได้ทราบว่ามีคนหนุ่มสาวไปฟังนี่ เป็นพันๆ น, นะเกาหลีซึ่งเป็นคนนิยมดาราพวกเคป๊อปต่างๆเนี่ยแต่ว่ากับท่านผ อ, อมยุนนี่เขาาก็สนใจเหมือนกันนะคนหนุ่มสาวล้วก็ได้รับหนวนไปพูดไปแสดงบนันทำเนี่ยในประเทศต่างๆที่มีชุมชนเกาหลี อ, อยู่เนี่ยเยอะมากองค์กรที่ท่านตั้งเนี่ยก็ทำงานกระฉับกระเฉงมากนะ มีสาขาทั่วประเทศแล้วคนที่มาทำงานก็โดยและจะเป็นคนที่ศรัทธาในตัวท่านสละงานนะสละอาชีพมากบ้างน้อยบ้างอาจจะครึ่งปีหนึ่งปีหรือว่าอาจจะสละยาวเลยมาทำงานเนี่กับหน่วยงานของท่านซึ่งก็ทำเรื่องหลายอย่างนะเรื่องธรรมะเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสันติภาพนะ เพราะว่าเกาหลีเนี่ยมันก็เรียกว่าอยู่ในภาะวะสงครามนะสงครามเกาหลีเนี่ยเมื่อหกเจ็ดสิบปีที่แล้วนี่ยังไม่เคยมีการประกาศยุติเป็นทางการนะหมายความว่าในทางกฎหมายนี่ก็ยังเป็นคู่สงครามกันอยู่นะท่านก็พยายามเชื่อมโยงเชื่อมประสานความเข้าใจระหว่างคนเกาหลีเหนือคนเกาหลีใต้ซึ่งเกียดชังกันนะ คงเกลียดชังกันมากเนะี่ยบ้านเรานี่เกียดชังกันยังไงนะระหว่างคนสีเหลืองกับสีแดงที่เกาหลีน่าจะหนักกว่านั้นนะเพราะเคยถึงขั้นทําสงครามกันมาแล้วคนตายเป็นล้านนะสามล้านคนได้นะเมื่อสักเจ็ดสิบปีที่แล้ว้ความเกียดชังก็ยังมีอยู่แล้วการคุกคามก็ยังมีท่านก็พยายามประสานความเข้าใจแต่นี่ก็ส่วนเท่านั้นนะส่วนที่ ที่ทำงานแข็งขันก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องธรรม ะ, นะในเกาหลีเนี่ยชาวพุทธเนี่ยหรือคนที่นับถือพุทธศาสนามีแค่ส0มสิบปอร์ซ็นะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มีอายุนะเพราะว่าพุทธศาสนาในเกาหลีเนี่ยค่อนข้างจะติดพิธีกรรมมากแล้วก็ พระเองเนี่ยก็มีเมียได้นะท่านว่าเนี่ยประมาณสิบเปซของพระในเกาหลีที่โสดนะก็คือถือพระมจันทร์อีก90้าอร์ซนตแล้วก็มีเมียอันนี้คงได้ที่เพิ่นมาจากญี่ปุ่นนะเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเคยยึดครองเกาหลีแล้วก็พระญี่ปุ่นไม่ว่ารัที่นิกายใดเนี่ยเขาก็มีเมียตั้งแต่สมัยรัชชงเมจินะรัชวงเมจินี่ก็คือประมาณสมัยรัชการที่ห้า ซึ่งก็มีการปฏิรูปประเทศเขาก็เหมือนกับว่ามีมีวิธีการมีมาตรการที่จะบีบบังคับให้พระต้องมีเมีย อ, อันนี้เหมือนก็เลยหนะาพระที่ถือพรหมจรรย์ยากในญี่ปุ่นนะแต่อันที่เขาเหลือเหมือนกันนะแต่ว่ามากกว่านะที่ถือพรหมจรรย์มากกว่าสิปร์เซ็นก็ถือว่าเยอะนะเมื่อเทอยบกญี่ปุ่นนะ ไอ้ที่เขานิมนต์ท่านพ้อมยุนมาเนี่ยนะก็เพราะว่าท่านเนี่ยสามารถที่จะปลูกศรัทธาในคนหนุ่มสาวได้อย่างที่บอกเนี่ยคนหนุ่มสาวนี่ก็มาเป็นจิตอาสาให้กับหน่วยงานของท่านเรียกสมาคมจุงโตสมาคมจุงโตนี่คนที่ไปนี่เขาก็บอกว่าน่าสนใจนะ เฉยจี้ที่ไต้หวันเนี่ยน่าสนใจยังไงเนี่ยสมาคมจุงโตที่เกาหลีน่าสนใจกว่าเดี๋ยวนี้คนไทยเนี่ยไปดูงานที่มือที่ฉยจี้เนี่ยเป็นหมื่นแล้วนะประเทศไต้หวันเฉยจี้นี้เขาก็น่าน่าศรัทธามากผู้ก่อตั้งแล้วก็แกนนําก็เป็นพุกธศูนีแล้วก็มีพุกธศูนย์ีอยู่ประมาณไม่มากนะสิบยี่สิคนยี่สิบยี่สบรูป แต่ว่าสามารถจะคุมหรือว่าจัดการเป็นเป็นแกนนำของมูนิธิเฉยเจซึ่งมีสมาชิกเป็นล้านนะประมาณว่าห้าล้านคนได้หรือประมาณยี่สิบเปอร์ซหรือยี่ส้าเปอร์ซตของประชากรไต้หวันจุงโตนี่ก็เหมือนกันนะก็มีคนศรัทธายเยอะและที่น่าสนใจนันคือว่า สมาคมเนี่ยไม่ไม่มีการจ้างคนมาทํางานนะมีแต่จิตอาสารุนรุนจิตอาสาร้อยเปอร์เซนเลยอันนี้หา ย, ยากมากวัดหลายแห่งในเมืองไทยเนี่ยนะก็ยังต้องจ้างคนมามาเป็นแม่ครัวบ้างนะมาทํางานบัญชีบ้างหรือว่าถ้ามีโรงเรียนสอนป ร, ริยติธรรมก็ต้องจ้างครูมาสอนนะแต่ว่าจุงโตนี่ ทุกอย่างที่ทำนะจิตอาสารุนรนนะแล้วก็มีความรู้ด้วยแล้วก็อยู่แบบเรียบง่ายนะที่หลับที่นอนก็ไม่ได้สะดกสบายมากนะแต่คนก็มานะมาทำงานเป็นจิตอาสาหลายคนก็อาจจะเคยเป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกเป็นนักธุรกิจนะแต่ว่าศรัทธา อย่างที่บอกนะวิธีการของท่านเนี่ยท่าทำไมถึงดึงดูดคนหนุ่มสาวได้มากนะสร้างศรัทธากับคนหนุ่มสาวอันนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเป็นเพราะวิธีการของท่านนะเวลาแสดงธรรมเนี่ยท่านไม่เคยบรรยายนะแต่ว่าฟังนะฟังคนหนุ่มสาวว่าเขามีปัญหาอะไรนะสมัยนี้เนี่ย คนหนุ่มสาวเนี่ยหาคนฟังยากนะไม่ใช่เฉพาะเกาหลีเมืองไทยก็เหมือนกันไม่ค่อยมีใครฟังเขาตอนเด็กๆพ่อแม่ก็ไม่ฟังเขาพอโตขึ้นนะครูก็ไม่ฟังเขาแม้แต่เพื่อนก็ยังไม่ค่อยฟังกันเลยเพื่อนธามมาคนหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์ที่ไม่อ ด, ด น, นี่สอนเกี่ยวกับเชื้อวิทยานิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมเนี่ยแต่ว่าก่อนเริ่ม ก่อนเริ่มสอนเนี่ยก่อนเริ่มบรรยายซึ่งจริงๆเขไม่ใช่บรรยายเรา ก, ก็เป็นการสนทนากันมากกว่าก็จะให้นักศึกษาเนี่ยได้พูดถึงความรู้สึกของตัวในขณะนั้นๆเราเรียกว่าเช็คอินนะว่ารู้สึกอย่างไรแล้วก็คนที่เหลือก็ฟังอาจารย์ก็ฟังพูดกันไม่นานนะคนละนาทีสองนาทีแต่ปรากว่าเป็นกิจกรรมที่นักเรียนนักศึกษาชอบมากมีคนนึงบอกว่าเนี่ยมันไม่เคยมีใครฟังผมเลยนะเนี่ยนี่เป็น กิจกรรมที่มีคนมาฟังผมเพื่อนๆก็ไม่ฟังนะคนที่มาสนใจพุทธศาสนาเนี่ยนะในเกาหลีเนี่ยเพราะว่าเขาประทับใจนะท่านอาจารย์มาอบจุนหน้าที่ฟังเขาฟังปัญหาด้วยการเปิดโอกาสให้ถามและคำตอบของท่านเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นการไปยัดเยียดนะ แล้ท่านไม่ได้พูดเรื่องนรกสวรรค์ให้กลัวนะแต่ท่านพูดเพื่อให้คนเนี่ยได้กลับมามองตัวเองหรือกลับมาถามตัวเองว่าไอ้ที่เราทุกเนี่ยนะมันเป็นเพราะความยึดติดถือมั่นในใจเราหรือเปล่านะเป็นเพราะยึดติดในความต้องการยึดติดในความคิดของเราหรือเปล่าเช่นพ่อแม่ทุกเพราะลูกนะนะลูก ติดเกมออนไลน์พ่อก็โกรธแม่ก็โกรธอยากจะต่อว่าลูกแต่ก็รว่าต่อว่าไม่ดีแล้วจะทำยังไงท่านก็ให้คนที่ถามน่คือพ่อแม่กลับมาดูใจเราเนี่ยว่าที่เราทุกเพราะว่ารูกไม่เป็นไปตามใจเราใช่หรือเปล่าเราทาเนี่ยหรืออยากจะว่าลูกเนี่ยเพราะตัวเราเพราะความคิดของเรามากกว่าเพราะว่าปรารถนาติต่อลูกหรือเปล่าเนี่ย ถ้าคนถามนี่เขาก็ได้คิดนะเออมาพิจารณาดูเนี่ยไอ้ที่เราทุกข์ก็เพราะใจเราคนอื่นไม่ได้ทำให้เราทุกข์หรอกนะถึงแม้คนอื่นก็จะทําไม่ดีแต่ถ้าเราวางใจถูกไม่ยึดติดถือมั่นเนี่ยเราก็ไม่ทุกข์บางทีเรามองผิดด้วยนะครับนะบางทีภรรยาบ่นสามีสามีทุกข์นะก็เกิดความเกลียดเกิดความไม่พอใจ แต่ลองมองว่าเนี่ยที่เขาทําอย่างนั้นเพราะภรรยาเขาห่วงใยเรานะพอคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะโอ้มันใจมันมันพลิกเลยนะจากความเกลียดเป็นความรักเป็นความเข้าใจเ่าเขาห่วงใยเราเนะี่ยเขาถึงพูดอย่างนั้นนะนี่ก็เป็นการเตือนให้เจ้าตัวเนี่ยหันมาปรับปรุงหันมาแก้ที่ใจของตัวมากกว่าคิดจะไปแก้คนอื่น คนอื่นทําให้ถูกอย่างไรเนี่ยนั้นก็เรื่องหนึ่งนะแต่ข้อสำคัญก็คือว่าเราวางใจถูกหรือเปล่านะถ้าเราวางใจผิดเนี่ยแม้แต่แม้คนจะดียังไงคนรอบข้างจะดียังไงก็ยังทุกข์อย่างสมมาเคยเจอพ่อแม่บางคนทุกข์พาะลูกทั้งที่ลูกนี่ก็เรียนเรียนดีนะเรียนเรียนหมอ แล้วก็ก็ไม่ได้เที่ยวเตะอะไรแต่พอลูปเริ่มมีแฟนขณะที่เป็นนักศึกษาแพทย์แม่ก็ทุกข์ละทุกพ่ออะไรทุกเพราะว่าแม่ลูกเนี่ยเริ่มเหินห่างแม่นะไปอยู่ใกล้แฟนไปให้เวลากับแฟนมากกว่าแค่นี้ก็ทุกข์ลวทุกเพราะน้อยใจนะทั้งที่มันก็เป็นธรรมดา เป็นความทุกข์เพราะอยากจะให้ลูกเนี่ยมาอยู่ใกล้ชิดกับเราเหมือนกับตอนที่เขายังเป็นเด็กเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าทุกข์เพราะตัวเองนะทุกข์เพราะว่ายังมีความยึดนะในตัวเองอยากจะให้เขามาพูดจาไพเราะ ก, กับเรามาใกล้ชิดเราเนะี่ยทั้งที่เขาควรจะมีวิถีชีวิตของตัวเองถ้าเขามีแฟนก็กต้องเป็นธรรมดาที่เขาจะให้เวลากับแฟนมากกว่า ในเมื่อการเรียนของเขาก็ไม่เสียเนี่ยนันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าคนเราเนี่ยทุกเนี่ยก็เพราะตัวเองซะเยอะเลยวางใจไม่เปน็นนี่เป็นวิธีการของท่านผ อ, อมยุนนะที่สามารถจะทําให้คนหนุ่มสาวเนี่ยหันมาสนใจพุทธศาสนาได้ที่จริงวัดปฏิบัติวัดปฏิบัติส่วนตัวของท่านก็เป็นที่น่าเคารพนะ ท่านก็อยู่ง่ายทั้งที่องค์กรทั้งเนี่ยมีเงินเข้ามามีเงินบริจาคเนี่ยคิดว่าคงจะเป็นร้อยล้านพันล้านนะเพราะกิจกรรมเยอะมากคนที่ศรัทธานับถือก็เยอะท่านนีงก็เป็นที่รู้จักฉันนี้เราเป็นเซเลบนะนี่พระที่ไปดูงานของท่านบอกว่าเนี่ยเวลาเวลาท่านไปที่ไหนเนี่ยเดินบนท้องถนนเนี่ยนะก็จะมีคนมาทักมีคนมาขอถ่ายรูปเหมือนกับเป็นดารานะแสดงว่า ท่านเป็นที่รู้จักมากเมืองไทยไม่รู้จักท่านหรอกนะแต่ว่ายกเว้นชุมชนเกาหลีนะจะรู้จักท่านแต่ว่าในเกาหลีนะี้ท่านมีชื่อเสียงมากแต่ท่านก็อยู่ง่ายนะนะอยู่ง่ายแล้วก็ไม่ค่อยแล้วก็ถ่อมตัวด้วยแล้วทำงานหนักมีตอนจบนะตอนท้ายรายการก็มีการเปิดโอกาสให้คนฟังมาซักถาม ก็มีพระรูปหนึ่งถามว่าเนี่ยท่านได้ไปประเทศต่างๆมามากมายทั่วโลกเนี่ยได้พบได้เห็นได้คดุพูดคุยกับพระในพุทธศาสนานิกายต่างๆเช่นเทรวาตมหายานวัชรยานหรือทิเบตเนี่ยท่านคิดว่าพระเนี่ยนะควรจะพติตัวอย่างไรนะอะไรคือคุณสมบัติที่สำคัญของพระนะข้อแรกท่านก็ตอบนกะ็คือเรียบง่ายนะ แล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยตามปฏิบัติตามพระวินัยนะพระวินัยเนี่ยถ้าปฏิบัติตามมันก็เรียบง่ายอยู่ในตัวอยู่แล้วนะเดียวเพราะถ้าเคร่งคัดจริงๆก็ไม่มีแม้กระทั่งทรัพย์สมบัติอะไรมากนอกจากบริขารที่จําเป็นต้องเรียบง่ายและเพื่อนที่ไปเยี่ยมท่านก็บอกว่าท่านเรียบง่ายจริงบางทีมีคราวหนึ่งเนี่ยท่าน เป็นช่วงฉันเชาน้านะแขกก็ดีอาการตุกาก็ดีก็ฉันไปส่วนท่านจะมีแขกพอพระฉันเสร็จโยมเจ้าหน้าที่ของสมาคมก็ฉันต่อคลยคล้ายเมืองไทยอ่ะพระฉันก่อนโยมฉันต่อโยมอโยมโยมกินต่อพอโยมกินเสร็จเนี่ยนะก็เหลือข้าวกับข้าวไม่มากเท่าไหร่ท่านเสร็จทุนละ ท่านก็มาเก็บตกจากอาหารที่เหลือนี่แหละอาหารที่ลูกน้องอาหารที่ญาติโยมเนี่ยกินเหลือท่านก็มานะมาเก็บตกนะต่อโดยที่ไม่เป็นต้องโดยที่ไม่ได้เรียกร้องให้ลูกศิษย์เนี่ยเอาอาหารมาเพิ่มมาทําใหม่ท่านก็ฉันทจนหมดเนะีนะ่ยเรียกว่าไม่ให้เหลืออนี้ทักขะที่ท่านเนี่ยเรียกว่า เป็นประธานองค์กรที่ใหญ่มากนะร่ำรวยมีเงินเยอะแต่ว่าคนในองค์กรตั้งแต่ท่านลงมาก็อยู่แบบง่ายๆเงินก็เอาไปใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดคุณค่าต่อส่วนรวมนะข้อที่หนึ่งนียก็อยู่ง่ายข้อที่สอง้ะบอกว่าพระเราต้องสุขมีความสุขมากกว่าคนอื่นน่าสนใจนะพรเราต้องมีความสุขมากกว่าคนอื่นนะในขณะที่มีบริการน้อยกว่าอยู่เรียบง่ายกว่า แต่ต้องมีความสุขมากกว่าคนอื่นเพราะว่าพระเราเนี่ยมุ่งพระนิพพานแล้วเราปฏิบัติก็เพื่อพระนิพพานเพราะนั้นเนี่ยมันกต้องมีความสุขมากคนอื่นนะคารวานี้เขาก็ยังต้องทํามาหากินก็จะไม่มีโอกาสไม่มีเวลามาปฏิบัติทำเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจะหวังให้เขามีความสุขมากกว่าเราคงยากพูดแบบนี้คนคงจะเข้าใจยากนะเพราะว่าพระเนี่ยนะตามอุปกติก็ต้องมีของน้อยนะ มีของน้อยมีทรัพย์สมบัติน้อยเที่ยวก็ไม่ได้นะมีครอบครัวก็ไม่ได้แล้วจะมีความสุขมากกว่าคนอื่นได้อย่างไงนะอันนี้พอไปหมองว่าความสุขเกิดจากวัตถุจะยิงความสุ้แท้อยู่ที่ใจนะอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การฝึกนะศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นเครื่องที่น่าพิจารณานะน่าสังเกตพระต้องมีความสุขมากคนอื่นอันนี้ก็นายรวมไปถึงนักปฏิบัติธรรมด้วยรวมถึงแม่ชีด้วย เราต้องมีเราควรจะมีความสุขมากกว่าคารวาสทั้งที่เรามีอสิ่งเสพน้อยกว่าไม่ใช่สูงกว่านะบางทีไปคิดว่าผ้าเราต้องสูงกว่าคารวาสหรือแม้แต่นักปฏิบัติทำต้องสูงกว่าคนทั่วไปเพราะเราถือศีลหน้าศีล้าเราถือศีลแปดศีลสิบนี่ไม่เป็นนะสูงกว่านี่มันเป็นเรื่องสมมุตินะมันไม่มันไม่ใช่สาระแต่มันทให้เกิดความหลงตัวลืมตนเกิดทิฏฐิมา น, นะ แต่สิ่งที่จำเป็นหรือสำคัญมากกว่าคือมีความสุขมากกว่า น, นเราก็ต้องถามตัวเราเองนะเออเราบวชมาเนี่ยเรามีความสุขเพิ่มขึ้นไหมาจากก่อนตอนก่อนบวชแล้ที่จริงความสุขนั่นแหละจะช่วยหลออเลี้ยงให้เราสามารถจะดำรงชีพพรหมจรรย์หรือว่าดำรงชีพนักบวชที่เรียบง่ายได้ในเมื่อเราไม่มีความสุขจากวัตถุมาเป็นเครื่องอานวยความสดวกสบายกับเรา เราก็ต้องมีสิ่งอื่นทดแทนมีความสุขอย่างอื่นทดแทนก็คือความสุขทางใจนะไม่ใช่ว่าความสุขทางวัตถุหรือความสุขจากกามเราก็ไม่ได้ความสุขจากจิตความสุขทางใจเราก็ไม่มีแบบนี้พูะจ้แต่ว่าเปรียบเหมือนกับไม้ที่มันฟืด น, นะที่มันถูกเผาทั้งสองข้างนะแล้วก็ตรงกลางนี่ก็เปืนขี้ คือเป็นไม้ที่ไม่ใช้ช้ปรยวน์ อ, อะไรไม่ได้เลยไม้ที่ปลายเป็นปลายเป็นฐานเนี่ยนะมันก็เอาไปเผาอะไรไม่ได้นะตรงกลางที่มันไม่เป็นฐานแต่มันก็เปื่อนขี้ใช้ประโยชน์ อ, อะไรไม่ได้เลยอันนี้ผู้อบตัดเหมือนเหมือนหนึ่งหมายถึงพระที่ความสุขทางกายก็ปฏิเสธจึงมาบวชส่วนความสุขทางใจก็ไม่มีนะอย่างน้อยต้องมีสักอย่างหนึ่งนะอย่างคารวาเนี่ย ก็มีความสุขทางกายน ะ, ะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้ยอมลำบากในะการทำมาหากินช่อคารวะนี่ลำบากนะทำมาหากินต้องตื่นแต่เช้านะต้องอสู่รบต้มมือกัภาษาทั้งหลายแต่ว่าก็มีความสุขทางกายเนะี่ยช่วยหล่อเลี้ยงไปวั น, ว, นวันหนึ่งส่วนพระนี่นะเรามีสิ่งที่ดีกว่านะคือความสุขทางใจในเมื่อความสุขทางกามรเราไม่เอาละนะ หรือว่าเกี่ยวข้องน้อยที่สุดนะก็ต้องมีความสุขทางใจเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอ่าเราต้องมีความสุขมากคนอื่นหรือเราควรจะมีความสุขมากคนอื่นองค์ที่สามคือว่าต้องรู้จักช่วยคนอื่นเวลาเขามีความทุกข์เมื่อเขามีความทุกข์เราก็ช่วยเขานะให้เขาพ้นทุกข์เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ท่านพร้อมยุนท่านก็ทํานะ ก็ทำสามอย่างนี้ก็มีในตัวท่านนะท่านก็อยู่แบบเรียบง่ายแล้วท่านก็มีความสุขแม้จะทํางานเยอะและที่ทางานเยอะก็เพื่อช่วยคนให้มีความทุกข์น้อยลงไม่ว่าจะเป็นทุกข์ทางใจหรือเพราะทุกข์เพราะความวาดพิตกสงครามหรือเพราะสิ่งว่าั้อุเป็นพิษเนี่ยอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ได้สนับฟังมานะจากเฮกรายการเมื่อวาน เอาชาเี้ยวก็บธนินท้นะเอากราบพร